ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รมปรปธฏฐานในวันนี้คงพูดเรื่องพุทธรวัตรริต่อไปวันก่อนก็ได้พูดมาถึงเรื่องที่ผู้เจ้าทรงประรบถึงอนุตตรวิมุตติแล้วก็หลักโยนิโสมนสิการเกี่ยวกับารทำไว้ในใจโดยบายวิธิที่แยบขาย ทั้งของพระองค์และของพรางและสาวกทั้งหลายวันนี้ก็จะพูดถึงตอนต่อไปคือเมื่อกุฎเจ้าประทับอยู่ที่พระนครพาราณสีตามพระพุท ธ, ธาภิรรมแล้วขอเสด็จจากิกไปโดยหนทางจะไปสู่รูปเวลาเสนานิคมและทรงแวะจากทางเสด็จเข้าไปยังไพรสนแห่งหนึ่ง ขั้นถึงไปสนแห่งนั้นก็ประทับนั่งอยู่ที่โคนต้นไม้ต้นหนึ่งเราลองนึกถึงภาพนะครับว่าพระพุทธเจ้าเป็นบรมา ศ, าศาสดานะครับเด็เดชเป็นไหนมาไหนลำพังพระองค์ไม่มีใครติดตามไม่มีใครตามจะเดชไปทั้งทงที่ตอนนั้นก็มีพระอราหันต์อยู่ แต่ว่าทรงส่งไปเผยแผ่ศาสนาในส่วนต่างๆหมดและพระองค์ก็รับสั่งไว้ตั้งแต่ตอนต้นว่าแม่พระองค์เองก็จะเสด็จไปยังอุรุเวลาเสนาในคมเพื่อแสดงธรรมเรามองภาพของยุคสมัยตอนนั้นพระพุทธเจ้าประชนปัญษาก็ยังหนุ่มนะสามสิบกแล้วก็อยู่ช่วงกลางๆก็ช่วง เอแถวเดือนที่บดสิบสองนี่แหละก็ได้เสด็จไปเพื่อจะไปรู้เวลาเสนานิคมถ้าเราตั้งปัญหาถามว่าทำไมต้องแว่พักละ่ะมันเป็นงานที่เรีย ก, กว่าตออ่อเนื่องคือพระพุทธเจา้าเนี่ยตอนใกล้รุ่งของแต่ละคืนนะฮะ จะตรวจดูสัตวโลกใครมีวาสนาบารมีก็จะปรากฏในข่ายพยานของพระองค์และพระองค์ก็จะศึกษาถึงภูมิหลังของบุคคลเหล่านั้นเพราจากเรื่องนี้ก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าที่ต้องประทับอยู่ที่พระนครพารณาณสีอยู่เป็นเวลานา น, านจนส่งคนอื่นไปหมดแล้วแล้วก็กลับมารายงานแล้วในพระองค์ยังไม่เสด็จ ก็มีงานใหญ่ที่ต้องรอรออยู่ข้างหน้าแต่มันยังไม่พร้อมหมายความมาเหตุปัจจัยที่จะให้คนเหล่านั้นมาพบกับพระองค์ยังไม่พร้อมก็ด้วยอนาคตังสยามคือปัญญาได้รู้เรื่องอนาคตนี่ทําให้ทรงกําหนดพระไตรสเด็จไปเพื่อให้พบกับท่านเหล่านั้นและโปรดท่านเหล่านี้บนเส้นทาง แลวจึงไปสู่จุดหมายปลายทางคล้ายๆกับตอนเสด็จตอนเสด็จว่ากันตามความเป็นจริงนะพระพุทธเจ้าทา่านมีอิทธิปาฏิหาริย์ในตอนหลังๆเนี่ยเราก็พบว่าพระองค์เสด็จไปในที่ต่างๆเป็นร้อยร้อยยชดในแป๊บเดียวแป๊บเดียวไปก็ไปได้นะครับแต่ว่าใครไม่เห็นพระองค์หรอกไปแบบอันดรฐานไปจากที่หนึ่งไปปรากฏในที่หนึ่ง ไม่ใช่บินล่องลอยไปเหมือนกับ น, นกบินนะแต่ถามว่าทำไมจึงไม่เสด็จไปอย่างนั้นเสด็จพุทธเต็เนินไปโดยพระบาทธรรมดาธรรมดาเพราะต้องการพบกับอุปกาชีวะในระหว่างทางและในขณะเดียวกันเนี่ยปัญญาขีเองก็ยังไม่พร้อมที่จะฟังธรรมะเขเรียกบา ร, รมีมันแก่กล้า บารมีแก่กล้ายกอุปมาเหมือนกับจำนวนมารีท่นบอกเหมือนฝีที่กลับน้องรอคอยการบ่มด้วยน้ำฝีจะเปลี่ยนมันผลไม้ก็เรียกว่าผลไม้มันยังไม่สุกมันต้องรอเวลามันสุกก่อนคนตั้งหลายที่เสด็จไปโปรดมันก็มีลักษณะอย่างนั้นเราจะเห็นว่าเป็นอุบายวิธีที่ ตรงทำไปเฉพาะกิจนะคเป็นงานเฉพาะกิจเรื่องเหล่านั้นคนนี้ทําอย่างนี้คนนั้นทําอย่างนั้นคนโน้นทําอย่างนนนอย่างกับพระอาจารย์นั้นเราจะเห็นว่ารับสั่งอีกเรื่องหอนึ่งไม่จะรับสั่งสอนแล้วแต่รับสั่งให้เกิดธรรมปฏิเต ซึ่งว่าที่จริงท่านก็มีมากไวยธรรมปิติอยู่แล้วแต่ว่าเป็นการเพิ่มผูนธรรมปิติให้แก่ท่านทีนี้ส่วนบุคคลกลุ่มเนี้ยที่ที่รอคอยอยู่เนี่ยได้ชื่อว่าพัตตะวคีแล้วก็เล่าว่าโดยสมัยนั่นแลสหายพัตตะวคียอมน์สามสิบคนเพราะพัตตะวคีเป็ น, ว พ, วปนวพวกที่เจริญ หมายความว่ามีฐานะทางเศรษฐกษษิจดีสังคมดีการเมืองดีมีการศึกษาดีคนสมัยโบราณเนี่ยมันก็จะท้อนภาพอย่างหนึ่งว่ามันมีเที่ยวอะไรแนวเที่ยวปิกนิกอะไรดีเขาเรียกเนี่ยนะหรไปสังสรรค์กันในที่ใดที่หนึ่งเป็นสนุกสนานกันในที่ใดที่หนึ่งไปอาบน้าําไปเล่นน้ํากันในที่ใดที่หนึ่งอะไรแต่ไรเนี่ยมันก็มีมาตั้งแต่ไหนแต่ไร ส่วพวกสหายพัตตวัคีเหล่านี้ก็เหมือนกันพร้อมดยพวกปัญญานะะก็บำเพ็ญกันอยู่คือสนุกสนานกันอยู่ในไรศนตรงนั้นถ้าคนหนึ่งไม่มีปัญญาถ้าทั้งหลายก็นําเอาหญิงแพทย์สยาหญิงแพทย์สยาเนี่ยเป็นนครโสเพณีนะฮะเป็นหญิงโสเพณี แต่ว่านักแรโสเปนีนักครโสเปนีนี่เมื่อก่อนไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นนักครโสเปนีก็คือก็เป็นตำแหน่งรับราชการของบ้านมือก็อคัดสรรผู้หญิงที่สวยที่สุดให้อยู่ตำแหน่งนักแรศโสเปนีแปลว่าหญิงประดับมือไงมดงามอย่างที่อะไรคากรนที่ว่ามึงใดไม่มีนารีงาเ ม, มืองนั้นหมดความภูมิใจนะ เมืองใดไม่มีดนตรีเลิศเมืองนั้นไม่เพลิดเพลินสมัยเมืองใดได้ทำความภัยเมืองนั้นบันไรยแน่เลยก็หญิงแพทย์สยามก็เป็นหญิงทั่วทวไปเนี่ยเพียงหากินทั่วทวไปนิสัยใจคอก็คงไม่ดีอะไรเท่าไรนะครัต่อมาหญิงแพทย์สยามเหล่านั้นเมื่อพวกสายเหล่านั้นน่ะ หรือตัวสนุกสนานเพลิดเพลินกันอยู่เนี่ยก็ลักเลื่อนบระดับหนีไปก็จะหายเมื่อจะทําการช่วยเหลือสหายประเทศตามหาหญิงแพทย์ยานั้นไปถึงไปสนแห่งหนึ่งได้เห็นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ใต้ก้นไม้กัแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า พระพุธมีพระภาคเขียนหญิงบ้างไหมพระเจ้าค่ะอันนี้เป็นประเด็นนี่น่าสังเกตนะฮรับว่าสแสดงว่าการปรากฏองค์ของพระพุทธเจ้าแล้วก็ประทับอยู่ที่พารณาณชีเนี่ยจะเป็นที่รู้จักของคนโลกนี่แต่คําว่าพักวาเนี่ยมันเป็นคําเลียกนักพรตเป็นคําเรียกนับนกน บ, บวช ซึ่งก็อาจจะเป็นภาษาที่เขาเรียกนักบวชก็ได้เพราะพระพุทธเจ้าก็อยู่ในเพศ น, นักบวชแล้วก็อาจจะเรียกในฐานะที่เขารู้ว่าพระองค์เป็นพระผู้มีพระภาคา ก, ก็ได้ก็เหมือนกับพ่อของพญสระที่มาถึงก็เรียกพระผู้มีพระภาคเหมือนกันก็แสดงว่าข่าวการเสด็จมาสู่กรุงสาวัตถีของพระพุทธเจ้า ประทับที่ศิปตนามลิกธายวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือตอนแสดงธรรมจักรอนัทเนี่ยมเสียงระบือหรือลั่นไปไกลมากโดยกฉฟ้าดินกระเทือนนะโดยเฉพาะตอนแสดงธรรมจักรวัฒนสูต ร, ร, ร, รทำให้ท่านเหล่านี้รู้จักแล้วก็เรียกถูกจะเรียกถูกก็มีอยู่สองแนวนะฮะ ส, สองทางทางหนึ่งก็อาจจะเรียกตามธรรมเนียมเหมือนพระในเตนเป็นนบุร์ก็เรียกพระกวา แล้วก็พระกวารอแล้ว่าพระผู้มีพระภาคไหมฮะเขาอาจจะเรียกว่าพักกวารเฉยๆอาจจะเรียกว่าภัะกวารเฉย ๆ, ยฉยๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือรู้จักรู้จักว่าพระพุทธเจ้าเป็นใครแล้วก็เรียกไปด้วยความเคารพกรรั์สั่งถามว่าพอเจอจะต้องการอะไรโดยผู้หญิงเราโอปัตวคีก็กล่าบทุนว่า พวกข้าพเจ้าเป็นสหายภัตตะวคีจำนวนสามสิบคนในตำบล น, นี้ทอมโดยพัญญาบำเรอกันอยู่ในไพยสนแห่งเนึ่แห่งนี้หลายคนหนึ่งไม่มีพัญญาพวกข้าพเจ้าจึง น, นำหญิงแพทย์าเพื่อประโยชน์แก่เขาต่อมาหญิงแพทย์านั้นเมื่อพวกข้าพเจ้าเถลอตัวมัวบำเรอกันอยู่คือสนุกสนานนะฮะบำเรอในที่นี้คือสนุกสนานกันโดย ก็ได้ลักเครื่องประดับนี้ไปเพราะฉดนั้นพวกข้าพระองค์ผู้เป็นสหายกันเมื่อจะทำการช่วยเหลือสหายจึงเที่ยวตามหาหญิงนั้นมาถึงภัยสนแห่งนี้พระเจ้าค่านี้ก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าทำนองคล้ายๆกับลักขโมยเฉพาะของสายที่ไม่มีพัญญา แต่ก็เรียกในที่นี้ว่าประชาบดีนะฮะประชาบดีก็คือพันดา น, นั่นเองยวมาหาความสนุกสนานเพลิดเพลินก็แบบผู้ดีมีสกุลทั้งหลายนะฮะเที่ยวหาความสนุกสนานกระดับในป่าก็พระผู้มีพระภาคเจ้าก็รับสั่งว่าบุกกรรมางหลายพวกเธอสำคัญความข้อนั้นเป็นชน ข้อที่พวกเธอแสวงหาหญิงหรือแสวงหาตนนั้นอย่างไหนเป็นกรรมดีของพวกเธอเราสงเสนอถามให้เลือดไม่ได้รับสั่งถามว่าเห็นหรือไม่เห็นมันไม่ใช่ประเด็นนะฮะประเด็นที่ควรจะมองควรจะศึกษาก็คือว่าระหว่างผู้หญิงแพทย์หญาคนหนึ่งที่ลักขโมยทรัพย์สมบัติไปที่เขาต้องการนั่นก็คือทรัพย์สมบัติคืนแต่มันทรัพย์สมบัติอะไรมากมายนักหนาเทียว เพราะว่าเป็นการแต่งตัวมาสนุกสนานกันเท่านั้นเองคงจะไม่มีอะไรมากมายนะปัญหาใหญ่ก็คือการสแสวงหาตนเป็นการเสนอทางเลือกให้บุคคลทั้งสองขวายนั่นโลยเห็ว่าเป็นคาเป็นคำถามที่แปกือถามไม่คิดเอาคนเหล่านั้นก็เป็นคนมีบารมีนะครับปุ่งยงว่ามีบารมีมีวาสนาบารมีม แต่ที่น่าสังเกต ก, ก็คือว่าคงมากันเฉพาะพวกผู้หญิงคงไม่ได้มาด้วยคงมากันไเฉพาะพวกผู้ชายที่มาพบพระพุทธเจ้าเนี่ยวันจริงไม่ได้มีผู้หญิงเข้ามาฟังด้วยก็ดูแล้วน่าจะปัญญาน่าจะ ต, ตามมาด้วยปรากฏว่าไม่ได้ติดตามมาก็มงกลับทูลว่ากอติบุคาลสุเวยข้าพระองค์สวงหาตนนั่นแลเป็นความดีของพวกข้าเรา พระเจ้าพระเจ้าค่ะแสวงหาตนในที่นี้ก็คือให้รู้จักตัวเองนะให้เข้าใจตัวเองว่าอะไรเป็นประโยชน์เป็นความสุขของตนตนนี้เป็นใครมาจากไห น, นประกอบด้วยอะไรก็แล้วแต่ว่าจะจะชี้แจงจะแสดงออกไป ผู้เจ้าจึงรับสั่งว่ากุมารทั้งหลายถ้าอย่างนั้นพวกเธอนั่งลงเถิดเราจากแสดงธรรมแก่พวกเธอแสดงว่าคนเหล่านี้ก็ยังหนุ่มนะฮะยังหนุ่มพู้เจ้าก็เรียกว่ากุมารทั้งหลายอย่าลืมว่าพระพุทธเจ้าประชุมมันษาสามสิบกแล้วนะฮะก็เรียกพวกเหล่านี้ก็แสดงเป็นเด็กเราเรียกว่ากุมารทั้งหลาย คนนั้นเมื่อได้ฟังพระพุทธยารับสั่งอย่างนั้นก็กราบทูลพร้อมกันว่าพระเจ้าข้าแล้วก็นั่งอยู่ณที่ควรส่วนครั้งหนึ่งพระเจ้าก็ทรงแสดงหลักการคือสัมภาราศาสนีก็ได้แก่เรื่องของทานเรื่องเงศีลเรื่องเงินสวรรค์เรื่องของโทษความตำตรามความสศมองของกรรมทั้งหลาย อนนี้สงในการออกจา ก, กรกลามโดยเฉพาะอันนี้สงของการออกจา ก, กรกลามเนี่ยมันเหมือนเป็นการถอนรรเพราะว่าคนเหล่านั้นก็กำลังหมกมุ่นอยู่ในเรื่องกามก็แสวงหาความสุขกันในทางกามนะฮะจะมีเรื่องอะไรก็แบบคนที่มาเที่ยวหาความสนุกสนานอย่างบ้านเราในปัจจุบันเนี่ย มนก็ปนปรีตัวเองบำรุงบำเรอด้วยด้วยการมาขุณทั้งหลายทั้งรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมันนะการนั้นได้ทรงแสดงไว้บางทีเป็นอุปมาทเทียบเคียงให้เห็นมาเหมือนกับสีสระรราารรพิษบ้างเหมือนเขียงหั่นเนื้อบ้างเหมือนเนื้อที่ย่างไฟบ้างเหมือนถือก็เพลิงทนลมบ้างก็ ที่ส่งแสดงในแต่ละข้อเนี่ยมันต้องการจะถอนความกำหนัดความพอใจในกามออกไปจากจิตใจจริงๆเป็นการฟอกอัตยาศัยขึ้นไปโดยลำดับคือไต่ไต่บันไดกันไปโดยลำดับจนในที่สุดท่านเหล่านี้ก็มีจิตใจพร้อมที่จะ ฟังทำก็เรียกว่าเมื่อพระองค์ทรงทราบว่าพวกเขามีจิตสงบมีจิตอ่อนมีจิตปลอดจากมิวรอนคือเนี่อการเทศของพระพุทธเจ้าเนี่ยดีอย่างเงี้ยคือตรงรู้ว่าตรงไหนควรจะวางธรรมะยังไงมึงก็ไม่เหมือนกัเราเราเทศเราก็งมไปงั้นเองคื อ, อเราก็ไม่รู้ว่าผู้ฟังเนี่ยมันเป็นยังไงแต่ว่าถ้าพูดถึงบรรยายคนนั่งฟังข้างหน้านี่เรารู้นะว่าเขาเข้าใจหรือไม่เข้าใจเนี่ย โดยสภาพจิตของเราที่เราฟังเขาเขาอยู่ในขณะนั้นเนี่ยเรารูหรือถ้าคนไม่เข้าใจหรือคนไม่สนใจเนี่ยมั น, ม, นมันอึดอัดอะมันแน่นมันรู้สึกแน่นในหน้าอกแต่ถ้าคนก็สนใจคนเข้าใจแล้วเรารู้สึกมันโลง่งนะรู้สึกวันโลง่งแล้วเราก็พูดโปร่งแล้วก็ไปได้สบายไม่สะดุดเพราคนใจคนสะดุดเนี่ยเราสะดุดด้วยเลย เราไม่รู้จักอธิบายยังไงให้เขาเกิดสนใจเพราะเราก็เห็นว่าในตรงตรงเนี้ยแม้แต่บางทีไปบรรยายอบรมพูกเด็กเดกเนี่ยเด็กเรียอมาโบกมากเลยเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กนักเรียนเออจากมสี่ถึงมหกนี่จะมากกว่าเพื่อนนะมสี่ถึงมหกนี่มากกว่าเพื่อนนานจะมหนึ่งถึงมสามตะลีเนี่ยแล้วบางทีก็เด็กมหนึ่ง แต่เราก็สังเกตได้นะฮะแม้แต่มอนหนึ่งเนี่ยบางทีคือสนใจตัอจ้งใจเราก็รู้สึกว่าโล่งใจเรามันโล่งแล้วก็พูดสบายเวลามันผ่านไปเร็วรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปเร็วแต่บางทีนี่อึดอัดเหมือนกันนะพูดไม่ออกเพราะเราเห็นว่าคนไม่เข้าใจต้องใช้วิธีอะไรต้องใช้วิธีนิทานตัวอย่างอุปมาอะไรแต่ละไรมาเทียบเคียงเนี่ยมันเยอะ แต่นั่นเป็นความรู้สึกเราเน่รู้ ร, รู้รู้เป็นความรู้สึกส่วนตัวพระพุทธเจ้าทรงรู้ดอยานคือรู้สภาพจิตของคนบ ต, ตัวนี้เราคนจะสอนเรื่องอะไรจิตใจก็พูดฝังเลยอั น, นี้ขณะนี้ก็เป็นยังไงแล้วก็ทรงปรับสภาพธรรมะขึ้นไปโดยลำดับจากนั้นก็เมื่อเขามีจิตผ่องใสแล้วเนี่ยมันเหมือนกับ ผ้าขาวที่พร้อมจะย้อมน้ำนะฮะย้อมสีต่างๆให้เป็นไปตามที่เราต้องการเพราะกระทรงประกาศธรร ม, มเทศนาที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงยกขึ้นแสดงด้วยพระองค์เองคืออริยศาสตร์ทั้งสีประกาศไอาศาสตร์ทั้งสีประการนั้นเวลานี้เป็นที่น่ายินดีอย่างหนึ่งในวงราชการ ว่าเริ่มจะเข้าใจอะไรกันแพร่หลายแล้วผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีความรอบรู้มีความเข้าใจเนี่ยอย่างประานองคมนตรีต่างผู้บังกรเนี่ยคือต่างผู้ตั้งหลักอริยสัจสีก็จริงๆถ้าเรามองอะไรตามโครงสร้างอริยสัจสีเนี่ยอย่าคิดว่าต้องเป็นทุกข์เสมอไปเนี่ยคือมองตามโครงสร้างอริยสัจสีเนี่ยเช่นสมมติว่า เรารู้สึกเหียวตัวเนี่ยเหมือนกับุกขสัจเภได้เนียวตัวเนี่ยเหมือนสมุทัสสัจอาบน้ําก็เป็นมรรคสัจเย็นสบายก็เป็นนิโรธสัจหิหิวข้าวเนี่ยเป็ น, น, ปนทุกขสัจเทสะได้หิวก็เป็นสมุทัยสัจกินข้าวเนี่ยเป็นมรรคสัจอิ่มก็เป็นนิโรธสัจคือมันโครงสร้างก็อยู่อย่างเงี้ยมันเป็นสภาพปัญหาต่างๆแล้วก็สาวไปดูทว่าสาเหตุปัญหานี่มันมาจากอะไร มันไม่ใช่แก้ปัญหาลักษณะเกา่าเกา่เกาที่คันนะ่ะเกาแพรคันยาเวเนี่ยปัญหาเศรษฐกิจในบ้านเราจริงเราก็เก่าแบบแปรคันคือแก้ปัญหาแล้วก็สร้างปัญหาทยอยหมุนกันไปเรื่อยๆเลยคือไม่กล้าไปเสี่ยงอะไรมากเห็นตัวอย่างว่าของเงินนะ ก, กู้อะไรเนี่ยคนหนึ่งธนาคารอนสินให้หมื0นหน้ายังไงกเงินหมื่นห้าเ0 ไอหมื่นห้าเนี่ยจริงมันทําอะไรยากอยู่เหมือนกันนะแล้วก็ดอกมันก็เร่งรัดด้วยแต่ว่าดีที่ตามตัวเลขที่รายงานที่ท่านผู้บริการก็พูดไปก่อนว่ามีคนที่ส่งไม่ทันอยู่เคียงเคียงกับพันกว่ารายแต่นั่นเองกนน็น่าดีใจนะฮะมันเป็นการพิสูจน์เรื่องศีลธรรมอะไรอยู่ด้วย เป็นสัจจะปฏิยานเป็นศีลธรรมเป็นความกลัวกฎหมายอะไรประดามันจะสรุปมังพิสูจน์อะไรได้อยู่ด้วยวันถ้าเราศึกษาปัญหาต่างๆให้เข้าใจว่าอะไรคือสภาพปัญหาจริงๆตัวปัญหาจริงๆมันคืออะไรแต่ตัวสาเหตุจริงๆเนี่ยสาเหตุจริงๆมาจากไหนสาเหตุมาจากใจัรงนั้น น, นะฮะสาเหตุสาวาตะสาวาตุมาจากใจมนุษย์เนี่ย ใจมนุษย์หนึ่งเขาคิดยังไงทําไมจึงเป็นอย่างนั้นแล้วก็ประการต่อไปก็คือเป้าหมายที่เราต้องการเนี่ยเป้าหมายที่เราต้องการจริงๆนี่คืออะไรแล้วก็ประการวิธีการที่จะดําเนินการไปสู่เป้าหมายเหล่านั้นเนี่ยคือทําโดยวิธีใดหรือถ้าเราเรียนกันจริงๆนะเราเรียนจริงๆ เราจะเห็นว่ามันก็มีอย่างหลักพระพุทธศาสนามีอุดมการมีหลักการมีวิธีการมีปฏิบัติการแล้วก็มีผลสําเร็จที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติการที่จริงก็แนวริยศาสตร์สี่นั่นแหละแต่เอามาพูดนะเป็นภาษาทางบ้านเราภาษาบ้านเราการ์ตาในชอบกันบางทียาวเหยียดเลยคณะกรรมการได้จัดการให้มีการทําการอะไรอะไรยาวยาวเป็นแถว ภาษากรมประชาธรรมนเนี่ยได้ยินบ่อยที่สุดเลยข่าวกรมยารัชาันธ์เอกราเนี่ยออกมาจากอะไรนักหนาทําไมไม่ใช่ภาษาญีน่นี่ยมั่งก็ไม่รู้ทีนี้เมื่อแสดงตรงเนี้ยดวงตาเห็นธรรมที่ปราศจากทุลีปราศจากมนคินคาว่าทุรีก็ดีมนทินก็ดีคือกิเลสนะฮะกิเลสก็เท่าที่เท่าที่มันจะปราศจากนะะเท่าที่มันจะปราศจากเพราะว่า ในที่นี้ก็หมายถึงเป็นปสมดับบันหมายความว่าปราจาร์มณฑินปราจาร์ธุรีได้เกิดขึ้นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาได้เกิดขึ้นแก่ท่านปราทบักคีณนะสถานที่นั้นหลุดผ้าที่สะอาดปราจาร์มณฑินควรได้รับน้ําย้อมเป็นอย่างดีฉะนั้น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 เดินตามรอยเท้าพราะอริยบุคคลไว้บ้างคือเรื่องของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ต้องเชื่อคนอื่นเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องกรรมเรื่องอะไรแต่อะไรเนี่ยไม่ต้องถามอะ่ะเชื่อหรือไม่เชื่อพวเชื่อพระพุทธเจ้าว่าอย่างเงี้ยคุณจะว่าอย่างไงเปนเรื่องของคุณพระเจ้าว่าอย่างนี้ฉันเชื่อของฉันอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไร เราจะเห็นว่าแนวตรงนี้เป็นแนวที่ดีคือมันไม่ได้อวดดีอะไรมากเกินไปไม่พูดทำไมพูดปัญหาโลกแตกทำไมมันไม่ใช่ปัญหาโลกแตกมันปัญหาที่เราไปคิดเรื่องนอกวิสัยที่เราไปคิดแต่นั่นเองมันคิดเอาไว้หัวจะแตกไปเปล่าๆเพราะงั้นท่านก็ได้ทูลคำนี้ต่อพ ร, ระพุทธเจ้าว่า แล้เจ้าข้าพวกข้าพระองค์เึงได้บรรชาเพิงได้ประสมบทในสำนักของพระภูมิรปภาดีพระภูมิปภ้าก็รับสั่งว่าเธอทั้งหลายจงเป็นภิกษุมาเถิดทำบรรลุกราวดีแล้วจงประพฤติภูมจันทร์เพื่อทําำดีสุดที่สุดแต่งทุกข์โดยชอบเธอซึ่งเป็นการบวชแบบไอหิกขู่ประสัมมธาเช่นเดียวกันต้างฟังทั้งหลาย ได้รบมาโพติยานในวันนี้ข อ, อยุติไว้โดยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเรินง้อ ง, งามไปบุญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทนายโดยทั่วกันสวัสดี